สองร้ยรอยสีสิบสีในโลกอื่นแก้ไขอะไรไม่ได้รับวิบากอย่างเดียวในโลกอื่นในภพอื่นสัจจะคือสัจจะธรรมะคือธรรมะอธรรมคืออธรรมไม่มีใครทำธรรมะให้เป็นอธรรมได้ในโลกที่ไม่ใช่โลกชีวิตปัจจุบันที่มี สุระพาโวสติมันโตไม่ใช่โลกนี้จึงมีแต่สิ่งที่ทำแล้วเท่านั้นที่ตนต้องรับสัมผัสทำอะไรใหม่อีกไม่ได้เลยเพราะไม่มีองค์ขาพยพที่ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมนอกจากเป็นเพียงรับวิบาก ค, คือเป็นเพียงผู้ต้องรับอารมณ์ ที่เสวยทุกหรือสุขอันเป็นผลกรรมไม่ว่าเป็นอกุศลกรรมหรือกุศลกรรมจริงที่ตนได้ทำมาแล้วเท่านั้นที่เป็นอกุศลจิตหรือกุศลรรจิตตายไปแล้วมีแต่จิตที่รับผลเสวยผลอยู่ไม่มีองค์ประกอบของดินน้ำไฟลมตาหูจมูกลิ้นกายภายนอก แล้วทั้งสิ้นที่ตั้งอยู่ทรงอยู่วงเล็บธรรมะสิ่งที่ทรงอยู่ตั้งอยู่จึงมีแต่สัญญาหรือความจำซึ่งเป็นนามธรรมอันอนุสัยอาสวะที่ไม่เกี่ยวข้องกับใครผู้ใดเลยในขณะที่อยู่ในสภาพของจิตบิญญาณที่ปราศจากองค์ประกอบของดินน้ำไฟลมของแต่ละคน